มันก็บพบังกันกับเทนาำเทลังหมาเทแล้วสลัดถิมเยวก็แหงมันมีกำลังใจที่พูดเพูดแล้วว่าค่อยเกิดผลเขาพูดใหเจ้าขนสอนคนมีกกำลังใจประกาศศาสนา <c oughs> เป็นสอนปัญจวัคคีพ์ว่าเกินกัรแรกอัญญาโขนทัญญะในดวงตาเห็นท้ำกันต่อมากะพว ก, กวปัญจวัคคียทั้งหาทั้งกนทัญญาบวประกัศียมหานา ม, มาอาชิจะด้เป็นพระอรหัสตอรหันต์จากนั้นเันจะสอนให้ยะทางกั น, กนไปประกาศศาสนา จะบวชยังบวชท่านใดปีใดเดือนก่าตามพอจิตใจของพระอรหันนั่นบมมีวันเตอมสร้างโตเกติขงเส่นคงว่าที่เดียตัญหาจิต่าดสูญไปบมมีวันใดจิตโพขึ้นอีกไปเหนือเสื่อใจคนคนนั้นไปสถานจิตใดโมมีการท่าชั่วตัวของตัวเองจะมีตัวบวชใดคนอื่น สี่คบข่าสมาค้มกับวิมีผู้ใดสี่เสื่อมเสียจากประโยชน์ถ้าจะควบข่าสมาค้มกับท่านผู้ศรีมี <c oughs> จิตใจสูงเป็นพระอราหาันต์อรหันต์แนั่นเป็นเจ้าไวเนื้อเสือใจปล่อยไปคนละจิตละทา่านประกาศศาสนาเพื่อสัพะสัตว์หัวไปสิใลยเงินเบี้ยฟังในตัณหาตังตาเพื่อปฏิบัติสายว่าจาใจของตัว ราช่วบอำเพ็ญดีมีความสุขอยู่ในโลกนี้โลกหน้าผู้ศรียัง<ฮ>มีอุปนิสัยยังอ่อนผู้ศรีนี้อุปนิสัยสูงผู้ศรีนี้สมเร็จสิ่งเกลียดตัณหามีสมัยพุทธกาลประกาศศาสนาเห็นผลกับหูกับตา <c oughs> ไปสอนไปยศกุณลบุตรไปสอนสดิน รวยทังเจได้เป็นอรหัตอาหารทั้งนั้นเป็นสยันประกาศศาสนาพอเห็นผลประจักท่านตาปูดไปแล้ววนเนื้อเนยเมื่อยหลาเปาผูฟังต่างจิตต่างใจกินที่เจริหน้าตา ม, า ม, ามท่ามค้าสอนี่พระองค์สอนใป่หัวจักแจ่มใสเข้าใจชัดเจนละที่เหลือสิ่งเป็น เทิดท่าคิดท่าใจเหวุ่ยวนไหว้เดือดร้อนส ง, งบระ ง, งับนี่เฮ้ามันบอเป็นทําน้องนั้นมันฟังเทิดเอาบุญกันมันฟังแล้วก็แล้วไปว่าได้บุญก็ได้ดอกบุนตัางใจฟังคือเวลาฟังเทิดหรือส่วนไงฟังเทิดเอาบุญฟังเพื่อส ง, งบสัญญาอารมณ์เล็กเล็ก น, น้อย พอได้พูดได้คุยไปในเรื่องโลกเรื่องสงสารชื่อว่าการฟั้งเถื่พูดคุยเน่เสียความเคารพเป็นบาปเป็นกรรมแก่ผู้พูดพูคุยเนี่ยบุญเกิดขึ้นเกิดขึ้นเพราะราอวดกันทนทานเอาไว้ทางผู้รงก็ดีสร้างผู้เถ่อนก็ดีแล้วกึงแก่ผู้บอดด้วยกัน ตาบอดจูงตาบอดจะสิบไปตกลุมตกบ่โดนรักโดนตอที่ได <c oughs> สมัยปัจจุบันมันเปี่ยนทําน่องนันบกบ่คอยเกิดสารประโยชน์อั น, นไงไ่ า, ายไพศาลให้จนผู่ข้นถั่วไปดูมินมินท่าว่าศาสนาทาคื <c oughs> ในสมัยปัจจุบันเพราะ การเสพก็ตามการฟังก่อตามโมหิผู้ได้ได้คุณงามความดีวิเศษวิโสหายเขาเลยสันนิษฐานไปวาศาสนาเป็นยาเสพติดถ้าไหนค้นหลุ่มหลงไปเป่าๆว่าเกิดประโยชน์นี่คุ้นที่อยู่ห่างไกลศาสนา ่านจีวาเด็กิีมีที่จหน้าหลักของถรำเขาดูมินนินท่าโยมตีศาสนายิงัวกก้อมนินิตแหล้วแห่งไปกันไงสมัยปัจจุบันมันสิจังสั่นขอตางผ่งานตงค้นตางบรูเรื่องของศาสนาว่ามีคุณค่าสำหรับตั่วเดยเลยถือคนเขาวัดเขาว่าเป็นคนคือคนเขา พระเจ้าพัยสงเจิมคนหมดวิชาความรู้มาบวชหรือความอดความจนอย่างที่บนหลังคนอื่นที่เขาเหลื่อมใสมาคิดไปทำนองนั้นจะสะดยกมากที่เขาดูมีนิมิต่า ย, ยางนั่น แต่พอเรื่องของศาสนาเห้าสมัยปัจจุบันผู้ต่างมันเนยอัดในถ้ำมันมีน้อยคนสี่เห็นถั่วถึงมันไม่ค่อยเห็นกันแล้วเรื่องของศาสน า, าก็เป็นของละเอียดอ่อนเป็นของปัจจิตตังเฉพาะผู้ประพฤะติปฏิบัติเท่านั้นอีเข่าใจแ ย, แยบคายชัดเขียนเห็นแจ้งอิ ท, ทยาศาสตร์สมัยปัจจุบันเขา บืองหลกพระจันทร์อังคารไปนอาแส้งส่องเที่ยวดูทุกคนทุกแห่งเสือโลกละเอียดขนาดใดเขาจะมีกล่อง่ลทัดซองขยายให้เห็นได้จเจ้เรื่องจิตใจเขาซองบ่เห็นคนศิษศึกษาด่านโลกจึงบ่เสื่อมันว่าตายไปแล้วสูญไป โมมีอันใดสิเกิดอีกเพราะว่าเห็นคิดเห็นใจนามันเป็นอย่างไดเขาซื้อ่ามนุษย์ทั่วไปอยู่ได้โดยมันสมองพอตายไปดับไปกต่สูญไปเลยนี่ความคิดความเห็นของนักวิทยาศาสตร์คิดกันไปทํานองนะั่นบมอยากการะพื่อปฏิบัติย่างใดพอตายไปสูญเท่าเหยียด ปฏิบัติที่นั้งเหตุเราบาดผลเข้าเหตดให้ก็อยากได้ผลเื่อของให้เหตุหน้าก็ได้ผเผื่อได้ผลของหน้า่างบ้านอยู่บ้านอาศัยก็อยากได้ผลของบนอยู่บนอาศัยยางหน่อยกับเล่าเองเมือเวลาฝ่าโชคฝนลงแดดออกได้อาศัยบ่เปียกบ่หอนนอนนั้นขันปูกขึ้นหลายหลังกัอยากได้ขาเศร้าดี่คนมาก ถึงผ้าอาศัยจะปลูกขึ้นมองไปปลูกไหวตากแดดตากร่มให้ปลวกกินผุพังเท่านั้นโลกเขาเห็นด่านวัตถุเป็นของสำคัญเมื่อบอเห็นเรื่องของท้ำเป็นอัศจรรย์ น, นิยมจะเรื่องวัตถุแล้วเมื่อเลยไปยางนั่นแต่เขาใจว่าตายแล้วสูญคนนั้นมดคุ้นค่าทางศาสนาถือว่าเป็นอุตเสตทฤฤิบชี เป็นคิดทีทีไยแล้งทำคำสอนของพ ร, ระพุทธเจ้าภาสามาถผีดแสดเข้าไปในจิตใจของเขาได้ถ้าเขาเสื่อมั่นลงไปยางนั่น <c oughs> คนคนนั้นสามากถก็พือฉั่วเสียได้ทุกวิถีทางสามากคาพาู้อาฆาตเนี่ยทำลายพระเจ้าพาะสงย์เียบยหารยางสะดวกสบายบ่มี ขยะยขยงยในจิตในใจของเขาพอเขาเสื่อว่าตายเหล้วศูนบ่มีบุญมีบาตรทิฏฐิที่เป็นอย่างนั่นเป็นทิฏฐิที่ได้คลาดเป็นทิฏฐิที่เขาพุทธายเจ้าทรงจอมนีิภุมีถ้ำทรงจอมนิภพอเป็นทิฏฐิที่ได้มากบ๊สามากที่ประกอบคุณงามความดีอันไร ได้พอใจเขาเห็นแนวเนี่ยลงไปว่าตายเหลือศูนย์คนจึงคิดว่าเป็นอุเศษทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิที่ได้แล้งต่อข้ามขั้มสอนความว่าพอใจเจ้า <c oughs> แต่ความขีดคําสอนความว่าพอใจเจ้านะั้นคนกับบวได้คิดว่าตายเหลือศูนย์ตายเหลือเกิดความเที่ยงกว่าตา่ำความศูนย์ก็ตาม พระพุทธเจ้าบอส่งพญาก่อนเส้นอุเตศทิฏฐิเราตายแล้วสูญหรือสากสายิฏฐิตายแล้วเกิดเคยเกิดเป็นอันใดก็เกิดเป็นอันนั้นมากไม่มากมีมากม่วงทุเลียนปลูกสถานที่ใดก็เกิดเป็นทุเลียนข้องเก่าเป็นบักงวงบักข่าวข้องเก่าพันข้องมันเป็นอย่างไรนั่นก็เป็นอย่างน่ะพระพุทธเจ้าก็บรรลุล่องสหรับมนุษสําหรับสัตว์เป็นไปเลย บุญกรรมที่ทำไว้ตายศูนย์กกมีตายเกิดโกมีตายศูนย์นั่นหมายถึงพระอรหัสตอรหันมีผ้านั่งประมั่งศูนยย่างคนวะศูนย์ม่มีภพนิชาติผู้ที่หมดกิเลสตัณหาในกิดในใจแต่บ่ได้ศูนย์ไปย่าง ของขีบมนี่ศูนมันยังนี่อยู่คือเหล็กศืนนั่นแหนละเขาเรียกว่าศืนมันนี่อยู่แต่มันมีคุณค่าที่ไปบวกลบคูณหารก็เหล็กตัวใดก็ยังค้งเส้นค้งว่าแต่ถ้าไปเติมหนาเหล็กตัวอื่นราคาสูงขึ้นนี่คิดคงแผ่นสีบริอสุดถึงอีมุดอีผ่าน ว, วันนี้ผ้านั่งประมั่งพื้นด่างศูนย์เรื่องกิเลสตัณหามานาทิฏฐิอยู่ในปัจจุบันเอาโลบเอาขวดเอาหลงมาใสเพื่อจะบ่โลบว่าขวดว่ห ล, ลงคงเป็นคงว่าอยู่ยางกันความบริสุทธิ์ของเพื่นบ่มีราคาตัณหาบ่มีมานาทิฏฐิอันใดแต่ว่าฟ้องใสบริสุทธิ์อยู่ตลอดแต่แก้วันตัดสู้ จนตลอดวันนีพผ้านเมื่อท่านปรินิพผ้านพืหล่างสายแตกสลายไปใจอันนันว่าเด็ดไปเก็ะพบไม่สาดไม่อีกเหมือนถวกเข้าทั้งหลายถี่นี้เสื่อยุคเพื่อจะวาสายศูนแต่ตายศูนแบบนั่นคน้นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติพึกษ์ฮัดคิดใจบ่มีการขยะขยแยงยินดีที่แจะไป ยิ่ดีที่จะยู่ในความศูนของตัวเพราะความศูนย์นั้นเป็นความสุขจางวันนีพผ้านั่งปลมัมงสุขขังมีความสุขปลาเสือบีเศษยิงกบยิ้มสีนี้กิเลสตันหาเป็นจังถือวันนี้พานเป็นยอดของความสุขแต่คนที่มืดบอดคือพวกเข้าเข้ามานาั่งอยู่นี่ง น, นีผู้ใ ด, ดอยากไปดอก อยากไปนิพพานอยากไปหน่อยที่สุดในวารายจิตพอถือว่าในผพานนั่นมันซูนนิพพานนั่นเหมือนว่ามีโรงหนังโรงละค้อนว่ามีหญิงมีชายทิ่ไปกอดใปจูบมันเล่ยติดของในภพในชาติที่เคยติดเคยของมาทั้งๆั้งที่ทเวลามันบวสมบางหล่องไห้ <c oughs> เป็นทุกข์ มันกับโเก็บเวลาพอจิตมันโบเคย์ได้สัมผัสกับอัธถัมภ์ที่ดีที่ละเอียดมันเลยถือว่าความสุขนั้นอยู่กับตาดูหูฟังแตจมูกได้จินดิ้นได้ลดกายได้สัมผัสมันถืออยู่เที่ยงกามาคุ้นจ้างหานแต่กามาคุ้นั้างหานนี่ซัทั่วไปมันจะมีได้มันโบมีใจมนุษย์เท่า ว่นแต่มันกระบอกมีผดมีพันตามันกระนี้หูมันกระหนี้เบาดีมันกระแกงหางใสเห็นบ่หมาบักการบักลูกฉันห่างเหยีมันมาฉันกระแลนหนีพอตามันเห็นหูมันหนีงิ้นมันพอปันกันกับนุษถางก่อมพัวเข้านางน้ากันอยู่เนี่ยบุคิดแต่แต่จ้างอันใดราคาตันหากามไม่เลีนี่คืบกันความอยากพองมันอาจน่อยกว่าเฮ้า กินง่ายนอนง่ายบ่หาเสื้อหาหมอนกินไปดิ้นไปหยามันจะกินได้แล้วบ่คว้านขวายกินอิ่มแล้วก็หนีไปบ่ได้สั่งยึงสั่งสางใครทื่มนุษย์เท่าเกิดขึ้นความมากหน่อยของมันมันมากหน่อยกว่ามนุษย์อีกเกือบข่ามันตัวหนึงบ่ถือมันยืนสบาย ยิ่งกว่ามนุษย์ของเฮา <c oughs> แต่เฮาจำหนี้นินทาว่ามันเป็นชาติจตามสารามกแต่ความจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องกรรมมันมีทับน้องเดียวกันกับมนุษย์เฮาบุพิพแกตกแตกต่างอันใดที่บ้านบ่ได้ศึกษาเราเรียนได้ปริญญ า, านั่นปริญญานี้แต่มันเกิดนี่ปัญญา จำมาจำท่องจำเจ้าของบ้านได้บกโกงก็เจ้าของเวลาเจ้าของหายมันก็บอกูกกวดเวลาเจ้าของดีมันก็บอกนี่อันใดในจิตในใจของมันนี่จะความรักใครคือศาสตรุทธิลิตรตอเจ้าของผู้ใหญ่ดุมันคิดแตกแตกกลางสันกับมนุษย์เท่า มนุษย์เท่านีวิหลายเลหลายเรียมอาพยาบาทเป็นเจ้าเป็นจอมถูกใจกับสันแลเสริญคิใจกับนิ่งท่าหาเลืองรอยเร่่านเรียมเรื่องของมนุษย์บวชสือสัตว์พอบกดุบบกดางเท่าดอกบกดุบบกดางเาสื่อสัตว์กลัวเจ้าขวางมันบเคยกัดเคยเฮาหรอกผู้ที่เอาเขา อาหารเหนมันกินนี่เป็นเรื่องของโลกที่เขาควรมาที่มีปิเจริหน้าสติปัญญาของคนที่ศึกษาไปในด้านของโลกของวิทยาศาสตร์ถึงมีความสามารถรอบรู้สิ่งต่างๆได้แต่วบมีท่าทิ่จะทําล่ายกิเลสตัณหาในใจ ให้ยตุก๊กหารุดห้ยโลนออกไปมีแต่จะ ท, ทำทําไร้ตัวเองและคนอื่นทำไร้ตัวเองอย่างไดแใจเล่าบ่เลยศึกษาไหลปริญญาบัตรบ่เดยมีความรู้เขาดูยิ้มย้มท่ายอย่างหนัดยางนแล้วเขาไม่ค่อยปวเพรอเขาบอมีความรู้ถ้าหากักเรามีความอยู่ขึ้นมาเขาวางงเหงาเตาตุนบ่เลยศึกษาตาดําตาแดงข นมันเผาหรือของอะไ้มันเป็นทุกเป็นโทษห่ะพอความเหยียความถือโมเมนศึกษาบนปฏิบัติเพื่อลาเพลว่างเพื่อถอดเพือ่อถอนคือทั้งศาสนาทา้งศาสนาเพื่อศึกษาปฏิบัติเพื่อถอดเพื่อถอนจิตใจค้องตัวสิ่ของคิตคิดแวะในทางชั่วทางเสียต่างๆให้จบออกไปหายใจละใจเห็นทุกข์เห็นโทษ ยิ่งระเพท่อจะจี้ดัเข้าใจอัดท่านเท่าใดความเป็นผิดเป็นไพ่ฟั่งร่อนล้นกระว้นกับวหวเข่าใจเบาไปสบายไปเท่านั้นพอละได้ทอนขาดทางท่านจึงเป็นเรื่องสาคัญถ้าผู้ใดศึกษาเข้าใจเรื่องของอัดท่าจริงจังแหล่ผู้นั้นมีคุณค่าสระสูงสําหรับตัวเอง แต่มีความฝุ่เพราะอารมณ์สั้นาบริยั่ยยุยิดใจให้คลองจิดจิตปุ่งเส่อเสียมือนก่อนคิดไปปุ่งไปในทางที่ดีมีประโยชน์แก่ตนและคนอื่นความคิดปุง่งว่ามันจิตสังหารล่างฐานคนอื่นและตัวเองมีเื่อทางธรร ม, มา ผู้ศรีประพฤติปฏิบัติแนี่ยวนมี่สมบัติพัดสถานเ่าของบาน่อง <c oughs> ได้สริญญาบัตรจิตจนจิตตัวกว่าตามแต่คุณงามความดีที่เห็นเด่ชดนชัดในใจิตในใจคือความสงบสงัดความอัศจรรย์ซึ่งเราเคยศึกษาเราเรียนมาได้ลาบไดยศสันลรเสวนสุขม่เจะาเก่าเจกรยงางพระพุทธเจ้า ก็ดีหรือองค์อื่นๆที่กันเคยเป็นกษัตริย์เป็นเศรษฐีก็ดีถึงเคยมีสมบัติล่นหลามโมเคยอดอยาก จ, จ, จนผูดถึงลาบสักกะละผูดถึงยศจะเป็นถึงกษัตริย์ผูดถึงความพุกในเรื่องข้องามกระโบอดอยากอยากจนมีคนบมรุกบ ม, มเลอหน้าเนี่ย ถ้าจกิจิตในสุขของโลกเหมือนพวกเราที่บอเห็นอาเทยนรรำว่ามีวันที่จะออกได้เมือดิดนติ้ตาพระพุทธเจ้าเพียงอายุยี่สิบเก่าปีว่ามีอายุมากความจิตจะเบือนายเรื่องของโลกของกรงสารกำลังมัวเมาบอาง่ายๆกันหัส พวกเขาธรรมดากำลังโม่เม่อกำลังหลุมหลงบุญผู้ศรีข่วนเบือในเหลืองหลาเบือสันลเสษณ์สุกบุญผู้ศรี่่วนเบือในเหลืองของต่างแต่อำนาจวาสนาบุญบาลนี่สิคิดอ่านคิดแตกแตกต่างกันกับพวกเข้าทั้งหลายผนคิดอย่างความแจกความตายเข้าว่าย่านความแจกความตายเข้าว่อย่านตัวมันจังเกิดจัง เป็นมีอยังนี้นั่นคนคิดยากถึงมีอำนาจลาศักเป็นกษัต ร, ร, ริย์การบังคับบรณฑาไครฟาแต่ฟาเคลนบ่ได้ไม่เขาแก่เขาตายเขาเจ็บเขาป่วยเรื่องของเรื่องอื่ก็ถ้าน้องเดียวกันคนคิดเห็นวปะเมื่อนี้เกิดแล้วแก่ตาย น, น, น, นี่ต้องมีแน่เนาะบ่มีสี่ลบหลีกสีตัวแล้วนีเนื่อนี้ เกิดมีตายความโ่เกิดโม่าตายพวกมีเนี่ยเราติอยู่ในสถานที่นี้เหมาะสมที่จะขวัญขว้าที่นิติจใจหน้าหาความจรินได้เพรอสถานที่นี้เต็มไปด้วยขู่ค้นกระซ่าสนเต็มไปด้วยทิ้งสิหยั่วยุจิตใจใหาหลุ่มลง้งเผือดเพลินมัวเมาเราต้องหนีอยู่คนเดียว ขี่เว้ยจริงๆควรคิดได้ทีใจหน้าได้ถ้าองค์คิดอย่างนั้นยังนี้ไปท่านท่าสี่อายุยังนุ่มแน่นอายุยี่สเก้าปีกำลังธรรมดาคนเท่าสมัยนี้อายุยีเก้ปีนั้นกับําลังมั่วมาละกําลังบ้าบอย่างนักแน่นอยู่โมเป็นผู้สี้างเดือนไหน ในหลงในโซงสารยิ่งเป็นเจ้าเป้ น, น่ายเป็นแกษัดขนาดนั้นยิ่ ง, ลงหลงไหลไปไงแกษัดจะไมัมนั่นก็บสไหมนีกับพิดกันอีกพอตามตำรับตำร่าพระพุทธเจ้าของเฮ้ายุทธศักดุมานนี่นักสนมนิจต่างหก0มื่นนอกจากนั้งพินพผ้าไปยังนี่อีกหก0มืคนคนนี่อย่างพิองเรลื่อนจังแจแต่ปี ขี่มีรูปดีมีกินตยาสวยงาม่านเลือกมากจากที่กลางๆมาถวายมาถวายคนมาให้คนยาที่้นที่โดยบริจางเสียอาดเสียไข้อันใดไข้ไกันยิ่งดีม่ามอบให้ยิ่งเรานั่นกะเต็มนใจที้ใจยู่งมำรุ่งมำเลอ เบื่อเบือายเราอยเป็นอนุภรรยาเจยเป็นภรรยาหลวงคอยเป็นภรรยาหน่อยว่าทะเลาะบ่แย่งกันยื้อโดยข้ามสมักใจเถิดเพื่อนในจิตตากุมารทั้งนั้นถ้าหากกเล่าหนี่แต่เครื่อค้นเยอตาติดเกลียบมันก็ยังหนีบัวได้หายด่ากันอยู่กูยังขันมึ้งจังสีก็ยังหนีบบได้มันคิดกันไก่เฮากระพุทธเจ้า เทียบกันเลี่ยวไกลกันหลายนี่เพื่อนหนีไปเพื่อปฏิบัติเพื่ออัดท่ามขนคิดพินิจพิจารณ์ศึกษาจากคู่จากอาจารย์เห็นว่าบเมในทางสัจทะรู้ออกไปอยู่องค์เดียวปเพื่อปฏิบัติเป็นในสัทะรู้อริยาาสัจทั้งสีพื่อทุกสมมติไถ่หนีโหลดมาก นี่เป็นสัจจะท่ามที่พระรพุทธเจ้ารู้ผู้ที่รู้ที่เห็นที่เต็นได้คิดได้ใจได้อาสวะขยายางคือกำจัดอาสวะกิเลสตัณหาทำลายล่างฐานอริาอุปรท่านพังออกจากคิดจากใจทุกสิ่งที่ควนกำหนดรู้ พระพุทธเจ้าก็บอกไว้ซาตีปิตุค้าซาลาปิตุก้ามรณะปิตุคังตัวกาปริเทวะเลื่อยไปเฮาเคยศึกษาเคยอ่านตำลับตำล่าจำได้แต่เาเฮาบอกเห็นว่ามันเป็นทุกการเกิดขอ ง, งเฮาเห็นกต่ตัวการตัวเรื่องลาเหมือนฝ่าแหล่มันพอพอสืบทําการทํางานอันได้ได้นี่พระพุทธเจ้าเลยเจ้าทั้งหลายเพิ่นเห็นไปจกักษ์ชัดเจนเรื่องทุก ข้นเกิดมาเลยเป็นปัญหาสาคัญเป็นทุกข์ใหญ่ที่สุดเพเกิดมาแล้วมันบอกเกิดตั้งแต่รูปเท่านั้น <c> เ <oughs> บิเกิดแต่น้าเท่านั้นจริงๆมันเกิดมามันนับอันพันอย่างบ่ได้เกิดขึ้นมาในรูปในกายของเฮาเฮาบนผิวหนังนอกๆ น, น, นี่ก็คือจมมังมอมีอันใดมาอาศัยมอมมี ปวดมีไข้ขันเดินไปภายในอยู่ในท้องในใสมันจัดเ ก, ก, ก, กิดืดขีเกิดตืหลาบขีเกิดตึดปากขอขีเกิดตึดเข็มมุดขีเกิดตึดเต็มได้โรกขนจลิ้ที่ดวงล่ำใสลิ้นที่ดวงทว้าลิ้ที่ดวงจ่มืกในตับใน ใ, ตในใสในใสในพุ่งมีตัง้งจอโลกแกอไข้น้ำหูน้ำตาก็มนี ว่ามีวันใดบนบ่เกิดโลกเกิดไข้โรกไข้เรานี่มันมาอาศัยความเกิดช่วงเฮ้าเนี่ยถ้าหากเฮ้าบ่ได้เกิดโลกไข้อันนี้มันก็บ่เกิดบนนี่ความหิวความกระหายความอยากได้อันหนึ่งความอยากมีอันหนึ่งมันเกิดเพราะความเฮ้าเกิดถ้าความเกิดยังเป็นอมไหวหนึ่งความทุกทั่วไปทุกมันเกิดขึ้นได้เพราะความเกิดเนี่แหละเกิดมาแล้วมันก็อยากอันหนึ่น อยากอันนี้เรื่อยๆไปให้มันได้สมใจกับแหงตาจะน้อยใจโตขึ้นไปให้มันบ่อยสมใจคิดว่างกันเกิดทุกข์ขึ้นอีกได้มากกับทุกข์น้ำการรักษาหงเหนมันนี่แตจะทุกข์ทั้งนั้นหที่เจริญนาตามธรรมะของพระพุทธเจ้านี่ก็เคยที่เจริญนาอยู่บ้างแต่มันบอบช้ำใจ ที่ผ่นจันมันมรณาภาพออกเกียวิเวกพองานศบเสร็จไปพักบ้านน้องลาแต่จําวันเนล่าบ่ได้แต่เป็นฤดดูถีฝ่าตกฝนล่งคงเป็นเด่นหาตายเดือนกบอึองมันห้องน้มเต็มบวกเต็มหนองกูค้นชาวบ้านเข้ามาจับกบจัดอึองไปกิน แล้วก็เดินจนกลมพอฝนตกแล้วมันเดือนมันหงายอยู่บ้างแต่กบอือ ม, มันก็ห้องทัวถุงทัวหน้าเขาบวงจว่าพระไปพักหันเป็นบัดห้างบุคคยนี้พระมานานแล้วกูดีวิหารพออาศัยได้แต่กูดีวิหารพาแถบตองมุ่งสองมีพระไปจำวันษาอยู่ในปีดน่ย แต่ท่นนี้ไปอย่งแกออกขั้นสายแล้วจึงกระทั่งเดือนนี่สาแล้วกัหลายเดือนทางเชียก้มจีเขาเหตุไหวมันก็มีแต่แจส่วนใหม่หง่ามันเกิดได้ไปเดิ น, ท า, นทางนอก้างนอกมันก็มีปลาแต่มันแปนเป็นทรายพ่อเดินได้สบายเอาไปเดินโยห์หันเขาก็จับกบจับเหยียด มาล่ำแห่ฟังเดินไปหลายนับเบื่อห่มุ่งมากขึ้นหาภัยเดินไปหลายน้ำเบือพ่อสิพ่อใดบนจังไดเลยนี่คำล่ำของเขาเล่ากันล่ำพิจารณาถูกมันจะทับใจเหมือนกันกันกนพบพูดเจ้าเจ้ามัทเหตเซืหื้อน้ำคำล่ำของเขาแหล่ะมาพิจารณาประทับใจหลายเกินบปลืมในคําล่ำของเขา และความประทับใจที่เลรร่าอือเล่าขาใจในขณะสี่เราทิ่แจน่านั่นนี่แหละสิ่งที่เฮาเคยเห็นโดยตาไดยยิ้นโดยหูถ้าหากเจ้าของเฮาว่าซ้ำผัดมันจะเกิดสารประโยชน์ได้หาถ้าหาใจของเราส้ำผัดในอั น, นั่นชาติเปลียนแล้วเล่าสิบ่านี้วันลุมหลงในสิ่งที่เราได้ซ้ำผัดนั่นบมื่อว่าทั้งทุกบมื่อว่าทาังถูก มันประทับใจขนาดมันบอสเดือดใจแล้วเลี้ยวๆเยื้องสั่นมีเห่ามันบอสะดือใจในความแย่ความตายบอสเดุอดใจในทุกในไพ่มันจึงบเบื่อบ า, บานายหากมันเดือใจแล้วมันเบือ่อมันนายมันอยู่วะได้มันเห็นเป็นไพ่เป็นกองไผ่ให้เสียเรีนเข้าไปเหยียบไปก่อดสาหรับกองไผ่ แนงเอาเงินเข้าไปวงหัวจักต้องตีขาดตายค่าของไฟเฮ้าเคยเห็นหนี่คือมานวงหัวจักว่าไฟมันห่อนนี่เฮ้าวงหัวจักว่าทุกมันเป็นเรื่องแผลศัลเขากายใจของเฮ้าทุกมันเกิดขึ้นมาจากอันไหนจากส ม, มุไทไธคือความอยากความอยากนี่เป็นไขความอยากของใจนี่เวลั ยังเด็กยังเล็กอยู่มันก็ไ่อยากใช้ไ่อยากเป็นเจตีก็ดุูที่ไม่อยากได้อยากเลือยอันใดมีแนวใดมันก็เล่นไปอยากกินน่องแม่อยากกินเข่ามันก็หงหยกินแหลมมันก็นอนรับสบายแต่เมื่อมันใหญ่เติบโตขึ้นมาเป็นเ่าเป็นหน้าแบกนึงแบกสาวมันอยากไปอยู่กับนึงได้ไหมอยากควงอยากล่ำอยากเลื่อยมันก็ยังไ่หันอยากล่ำอยากเลื่อยกันไหนดอกแต่มันอยากไปในข้างกามบ้าไปในข้างกาม เหวมเอเหวมไปในทางการเมื่อมันได้เรื่องของกามนี่คอบ้ัวพัวนี่ยหละมันอยากละเอียดอันนึงขึ้นอยากได้ลูกได้เขาได้ค้องได้เงินได้ทองมันเลยวันีเวลาพ่อความอยากของคนความอยากคนไ่วะก็ให้เกิดทุกข์